ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประุตติญาณในวันนี้คงพูดเรื่องขันติปรมีตามนัยยะพระพุทธรรมรทัที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆนะในข้อต่อไปรับสั่งในรูปของผลอนิสงส์แล้วก็จายทั่วไปแก่กลุ่มบุคคลไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นนัก บ, บวชหรือเป็นชาวบ้านก็ได้ สนใจกันว่าผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่พอใจของบุคคลอื่นให้ลองสังเกตว่าเราเกี่ยวข้องอะไรกับใครอย่างไรก็ตามเกี่ยวข้องทางการงานเกี่ยวข้องโดยการสนทนาเกี่ยวข้องโดยการปรึกษาเกี่ยวข้องด้วยร่วมหลักความคิดอภิปรายอะไรแต่ไหนถ้าคนไม่มีความอดกลั้นความอดทนแล้วเนี่ยจะลำบากมากแล้วพวกที่เข้าร่วมประชุมด้วยก็จะอึดอัดเพราะอะไรเพราะว่า คนไทยนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างแปลกคือเวลาประชุมอะไรกันเนี่ยที่จริงสิทธิในการอาภิปรายเนี่ยทุกคนสามารถอภิปรายได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องคนแต่พูดถึงเรื่องประเด็นของปัญหาต่างๆเนี่ยแต่ถ้าหากว่าการณีนั้นเป็นเรื่องการเสนอของผู้ใหญ่แล้วใครไปคัดค้านท่านเนี่ยท่านจะโกรธเพราะนั้นเอาแก่นแทะออกมาไม่ค่อยได้ แล้วไม่จะโกรธเฉยๆนะโกรธพยาบาทด้วยนะตามไปจองล้างเบียดเบียนคนนี้มันเถียงเรามันไม่เคารพเราอัตราใหญ่นะฮะคนไทยเนี่ยอัตราใหญ่แล้วยิ่งวงการพระแล้วยิ่งยากเลยดีที่สุดปลอดภัยที่สุดก็คือครับผมครับผมไปเรื่อยนา่งพนมมือครับผมครับผมแล้วก็อยู่ได้ดีนะแต่ถ้าหากว่า ไปแสดงความคิดความเห็นไปพิปรายไปถูกเฉียงไปคัดค้านทันก็ไปรอดยา ก, ก น, นะเพราะงั้นการอดกลั้นการอดทนเนี่ยมันจึงเป็นที่พอใจของทันทั้งหลายแล้วคนที่ทํางานอยู่ร่วมกับเราร่วมหลักความคิดร่วมกิ จ, จ ก, กรรมร่วมศึกษาทําประพฤติปฏิบัติทำอะไรก็ตามอดกลั้นอดท น, ดนได้ต่อทุกเรื่องต่ออารมณ์ทั้งหลายเนี่ย ไม่อ่อนแอไม่อ่อนไหวสภาพธรรมชาติเบียดเบียนคุกคามก็ดีเกิดทุกเวทนาต่างๆขึ้นมางานมันเหนื่อยหนักก็ดีไม่แสดงเยงนินความอ่อนแอก็พยายามทำไปเต็มตามสติกำลังบางครั้งบางคราวโาครคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนแต่ก็อยู่ในวิสัยที่พอทำได้ก็ทำไปแลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ไม่อ่อนไหวไปกับอารมณ์ในกรณีนี้มันมาทั้งสองอย่างนะแลวโดยเฉพาะจะหนักไปในทางอารมณ์ที่เรียกว่าฟังแล้วไม่สบายใจคือเป็นคนไม่ขี้โกรธพูดง่ายเป็นคนไม่ขี้โกรธเนี่ยไม่โมโหไม่ฉุนเฉียวง่ายก็จะเป็นที่รักเป็นที่พอใจของบุคคลทั้งหลายเป็นผลเป็นานิสงนะฮะ ทีนี้ก็ทรงแสดงว่าผู้มีขันติย่อมนำประโยชน์มาตั้งทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นจนถึงอะไรจนถึงนำสู่เก้าสู่ขนทางแห่งสวรรค์แล้วก็นิพพานผนเส้นทานที่นำคนไปสู่ความสำเร็จระดับมนุษสมัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินะฮะทุกกรณีต้องมีขันติไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากข้างนอก เรื่องจากข้างในเรื่องผสมกันก็ตามทุกคนต้องมีขันติมีความอดกลั้นมีความอดทนแล้วคนที่มีความอดกลั้นมีความอดทนจนเป็นหลักใจเป็นเรือนใจไม่หยุมยิม้มไม่อ่อนแออ่อนไหวแต่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือคนบางคนจิตใจเหมือนก็มีแผลกระทบนิดกระทบหน่อยแล้วโวยเปิงพื้นเปนงไฟกันมาเลยไม่รู้เรื่องอะไร โดยเฉพจะพ อ, อย่างยิ่งคือคนที่เป็นผู้ใหญ่เคยคุยกับสมเด็จราชาคณะรูปหนึ่งคือคุ้นกันนี่นะะแล้วก็ถามท่านตรงๆเนยบอกถามจริงๆกับผมสงสัยเลอเกิเพราะทำไมผู้ใหญ่เนี่ยมันขี้โกรธเลดูแล้วเรื่องไม่น่าโกรธคนเดินผ่านไม่ไหวทันหน่อยเดียวทั้งโกรธละก็แสดงว่ามันมันมันเยอะมาก ท่านบอกว่ามันน่าจะเป็นเพราะคนโอ้อ ก, กใจมากเกินไปมีแต่คนอื่นครับผมครับผมครับผมแล้วก็ท่านก็เป็นศูนย์รวมของความถูกต้องดีงามไปหมดเลยคือไม่มีคําว่าผิดเพราะงั้นพอใครไปคัดค้านใครไปโต้แยง้งใครไปไม่เห็นด้วยกับท่านเนี่ยท่านก็โกรธตโลกของผู้ใหญ่เราเนี่ยทั้งทั้งคารวาทธรพระนะเราสังเกตว่าโลกของผู้ใหญ่เนี่ย นันจะไม่ค่อยได้มีโอกาสศึกษาคลนควา้าติดตามข่าวคราวต่างๆส่วนมากก็ลูกน้องก็บัญญายสรุปไปฟังแล้วบทันจะถามถ้าก็ถามพวกใกล้ตัวพวกเราป อ, พ, อพวกคนสนิทพวกเลขาพวกอะไรไทยเนี่ยคือไปเรียนกับเด็กที่โง่งกว่าโูตีมีความรู้น้อยกว่าอันนี้คือปัญหาอย่างเดง ผู้ใหญ่เนี่ยไปเรียนกับเด็กแทนที่จะศึกษาคนา้นคว้าวิเคราะห์วิจัยติดตามข้อมูลต่างๆแล้วคนอื่นก็มีหน้าที่ป้อนข้อมูลในการวินิจฉัยตัดสินนั้นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ตัดสินเองนะไม่ค่อยมีโอกาสทําอย่างนั้นเพราะสังคมไปแย่งเวลาท่านไปหมดเพราะโอกาสคิดหลายชั้นคิดรอบครอบรอบด้านเนี่ยมันจะทําได้ยากก็ทําให้มีปัญหาในเรื่องความอดทนแต่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านอด อดกลัน้นอดทนทนทานนะฮะจนจนถึงกระทนอดได้เนี่ยมันก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นคือสรุปในชาติปัจจุบันเนี่ยเราทำประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่นได้มากเพราะอะไรเพราะเรื่องเหล่านี้บางทีมันต่อสู้กันเองภายในใจเจะเราต้องการจะบําเพ็ญกุศลสาธรารณะมันเหน็ดเหนื่อยมันต้องใช้จ่ายมันต้องเสียสละ แล้วพอถึงจุดหนึ่งมันเกิดชักกระเยอะกันข้างในใจคนหนึ่งก็อยากจะทําใจหนึ่งก็ไม่อยากจะทําใจหนึ่งก็เสียดายใจหนึ่งก็อยากให้เลยก็ต่อสู้กันเองและถ้าเราสังเกตจริงๆริงนะมีเป็นนันมากที่ความคิดจะเสียสละมันเกิดขึ้นแต่วความเจะหนี่มันเกิดปิดกัน้นเอาไว้แล้วก็สละไม่ได้ตีต่างว่าเราจดบันทึกไปเลยนะคะ จดบันทึกไว้เลยว่ากุศลเจตนาบางเกิดขึ้นต้องการจะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราทำไม่ได้ตามที่คิดเนะี่ยมากกว่าที่ทำได้ตามที่คิดและอาจจะเป็นตรีคูนทวีคูณเลยนะสมมติว่าไอ้จิตตุ ป, ปบาทในทางที่เป็นกุศลมันเกิดขึ้นสมมติว่าเกิดขึ้นร้อยครั้งเนี่ยนะนะถามว่าทำได้สักสิบครั้งก็บุญแล้ว เพราะงันในธรรมะที่เราเรียกว่าอธิษฐานธรรมคือธรมะที่บุคคลตั้งไว้ภายในใจเป็นเรือนใจเป็นฐานของใจเนี่ยเรามีเจตจํานงมีความมุ่งมั่นจะประพฤติจะกระทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะฮะในสิ่งที่ดีๆเนี่ยแต่มันจะเกิดกิเลส ข, ขึ้นมากระซิบที่ท่านเรียกว่าตัณหาชืช่อว่าชับปาตัณหาทึ่ทำหน้าที่กระซิบห้ามปราบปิดกั้นแล้วก็แสดงความปรารถนาดีหวังดีต่อเราและเสร็จแล้วเราก็เฟะก็เป๋ตามเข้าไป ไม่มีโอกาสได้ทําแม้แต่พระโพธิสัตว์บางพระชาตินะเราจะเห็นว่ามันทนต่ออาการพิรีพิไรร้องหม่มร้องไห้ของปัญญาไม่ได้บางทีท่านต้องการจะบวชตั้งแต่เรื่องที่ยังไม่ได้แต่งงานแตบวชไม่ได้นะะจนว่าคลอดลูกขอโอกาสจะบวชปัญญาก็ขอต่อรองให้ลูกโตก่อน อ้าวก็เห็นใจพัญญาก็อยู่กันอยู่ไปอยู่มาก็เกิดท้องขึ้นมาอีกแล้วเราขอให้คลอดลูกก่อนให้ลูกเดินได้ก่อนก็ต่อกันมาอย่างเงี้ยบางพระชาติเนี่ยเคยพบว่าท่านตั้งใจจะบวชตั้งแต่ไม่มีลูกแล้วบวชได้เมื่อลูกคนที่สี่แต่ลูกคนที่สี่ต้องตัดใจเด็ดขาดไปเลยนั่นคือคืออะไรคืออารมณ์ที่มันเหนียว แล้วมันเหนียวด้วยนะฮะมันเหนียวเราไว้เพราะมันเหนียว แ, แล้วก็ตัดขาดได้ยากอย่างที่โลกนี้เขาว่าไว้แม้แต่สามบ่วงเนี่ยก็สาหัสสากันรมีบุตรบ่วง 1, 000, 000, หนึ่งเกี้ยวพันคอสัพูบาทาครนอนวงไว้พัญญาเยี่ยงบ่วงปอรึงรัดมือนาสามบ่วงไลยพ้นได้จึงพนสงสารเนี่ยเพราะนบ่วงขนาดสามบ่วงเนี่ยมันสาหัสแต่ตเพิ่มได้หลายบ่วงขึ้นไปแล้วก็จะไปใหญ่ ดังนั้นวิธีการในพระพุทธศาสนาท่านไม่จึงไม่ต้องการให้เรามีมากและก็เป็นมากคืออย่ามีให้มากและก็อย่าเป็นให้มากถ้าเรารู้สึกเรามีมากเราเป็นมากแล้วเนี่ยจะสลัดได้ยากมันรุงรังนะนะมนลักษณะรุงรังหรือผลุงพลังไปเลยคือสลัดได้ยากเพราะแนวของพระที่จริงเนี่ย ก็พยายามที่จะให้เป็นเวลาท่านอธิบายนะท่านบอกว่าเป็นเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าเป็นเหมือนกับโคผู้ที่เข่ามันหัโคถึกนะฮะแต่ไม่มีเขา่าคือไม่พร้อมจะสู้รบ ก, กับใครแล้วก็เหมือนผ้าเช็ดเท้าก็จะเอาอะไรมาเช็ดไปสร้างเขา่าคือไม่ให้เกิดความยินดียินได้นบนเส้นทางตรงเนี้ถ้าทําได้ นำใจก็ท่านก็จะปกแผ่เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นแล้วก็ทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นในที่นี้ยังได้ทรงแสดงว่าผู้มีคันติชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางทางแห่งอะไรทางแห่งสวรรค์ทางแห่นิพพานฮะทางแห่งความสุขพูดง่ายๆว่าทางแห่งความสุขเพราะว่าทางแห่งสวรรค์ก็ดีทางแห่งนิพพานก็ดีเราจะเห็นว่ามันทวนกระแสกิเลสเอยอะเลย ต้องต่อสู้กันสาหัสสากัดเขาดูตัวอย่างง่ายๆนะว่าธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาที่จริงพระเจ้าทรงแสดงไว้ประมาณสามสี่ชุดนะฮะที่เราพบบ่อยเนี่ยมันจะมีจุดบรรจบกันในที่เดียวกันเพียงแต่ว่าทรงจำแนกแสดงไว้โดยประยายต่างๆชุดที่ดังมากที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือดิโอตปันะเป็นเทวธรรม เทวดาชั้นดาวดึงเรียกคนที่มีธรรมสองประการนี้ว่าเป็นผู้มีเทวธรรมคือธรรมะที่ทำคนเป็นเทวดาก็หมายความว่าเราก็เป็นเทวดาได้ภายในใจเราโดยไม่จำเป็นจะต้องตายไปก่อนเป็นคือเป็นซะก่อนจะตายทีนี้ถ้าเราจะเจริญดิเริอตตะปะแล้วก็รักษาดิเรกอตตะปะเอาไว้เนี่ยกลายเป็นปัญหาภูเขาเลย เพราะรพระิริเนี่ยความละอายต่อ บ, บาปนี่อย่าลืมว่าถ้าถ้าสถานการณ์ปกติแล้วเนี่ยพอรักษาตัวได้แต่ถ้าสถานการณ์มันบีบคั้นเนี่ยทำยังไงอ่นะเช่นสมมติรมมีปัญหาเรื่องเงินเกินแล้วก็พอดีก็ไปเจอเงินเขาวางไว้เขาเพลอเขาลงลืมอะไรก็ได้แล้ว เ, เงินจำนวนมากหมายความว่าเงินเนี่ย ถ้าเราเอาไปแล้วเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาที่ว่าได้ทั้งหมดไลยแต่ก็ตามแก้ปัญหาเรื่องยักยอ ก, กทราบกันต่อไปอ่นะแต่คนจะมองสั้นๆอ่ะคนจะไม่มองได้ไกลอะ่ะเพราะว่ากิเลสประเภทนี้มันเป็นกิเลสประเภทเดียวกับความรักความรักก็ดีนะราคะก็ดีโลภาก็ดีเนี่ยตัณหาก็ดีเนี่ยมันเป็นกิเลสประเภทเดียวกัน คือมันคว้าเข้าเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อตือครองเพื่อครอบครองและจะหลงกำนัดเพื่อเพลินชื่นชมดีในการได้การมีการเป็นเขาตัวเองรู้สึกว่าตัวได้ตัวมีตัวเป็นและมันสงญามากเลยตอนโอกาสที่จะยับยั้งชั่งใจเหนี่ยวลังความคิดเอาไว้ไม่ประพฤติกระทำนี่ค่อนข้างยากและถ้าทําไปก็แสดงว่าเราไม่มีฤทธิ ไม่มีความละอายเกลียดใจไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อผลแห่งบาปเงินนั้นอาจจะแก้ปัญหาตรงนี้แต่ไปสร้างปัญหาตรงอื่นมันก็เหมือนกับรัฐบาลเราที่กู้เงินมาใช้นี่นะเห็นไหมฮะนี่มันก็มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่เวนี้ก็ยังกู้เงินมาจากต่างประเทศมาใช้นี่เขากู้ตรงนั้นมาใช้นี้ตอนนี้มันก็นี่มันก็เพิ่มขึ้นนะไอ้นี่ที่ลดก็ลดไปที่เพิ่มขึ้นก็เพิ่มไปแล้วมันเพิ่มมากกว่าลด เพราะไม่มีดอกอะไรที่ออกโดยไม่ได้หยุดเนาะเหมือนกับดอกเบีย้ยหรอกเบีย้ยมันออกไม่ได้หยุดเลยไม่หลับไม่นอนเลยในสุดปัญหามันก็สะสมหมักหมมเอาไว้นั่นก็หมายความว่าพอเราพลาดปับเนี่ยธรรมะที่ทำเราให้เป็นเทวดามันเป็นไม่ได้มันเกิดไม่ละอายต่อ บ, บาปเกิดไม่สะดุ้มกลัวต่อ บ, บาปขึ้นมาเพราะเห็นแกตตัวหรือเพราะกลัวปัญหาอะไรเนี่ย แต่ให้ลองสังเกตว่าตรงนี้ถ้าแก้ปัญหาจะสร้างปัญหาแก้ปัญหาสร้างปัญหาแก้ปัญหาสร้างปัญห า, า, ญหาไม่มีทางจบสิ้นแล้วโทษของอธินาธานั่นเองจะนำเราไปสู่ทุกติโลกจัดจนถึงกับไปยักยอกไปรักขโมยเขาก็จบลงด้วยการไปสู่ทุกติมันก็ไม่ใช่บันไดสวรรค์แต่ว่าเป็นบันไดลงนรกไม่ใช่บันไดขึ้นสวรรค์ ในการที่คนจะพัฒนาหิริโอตปะขึ้นมาให้ได้เนี่ยอาตมาเองยังชอบใจความคิดของคนรุ่นปุญยาตายายะนะแต่ว่าปัจจุบันนะนํำมาใช้ไม่ได้แล้วเพราะคนในปัจจุบันนั้นแกรับสื่อแล้วสื่อทั้งหลายเนี่ยมันต้องไม่ให้ความต้องการแกทำมาเพราะถ้าสื่อเกิดให้ความต้องการแกทำมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสื่อโฆษณาเนี่ยแกไม่รวยหรอก แกจะต้องไม่คิดถึงธรรมะเลยเวลานี้มีการสัมมนากันผูน้นิเทศนะพขาก็สัมมนากันและไรสุดก็พูดถึงว่าข่าวคือข่าวความเห็นคือความเห็นมันคุณไม่ควรจะเอาความเห็นไปใส่ไว้ในข่าวหรือว่าข่าวของคุณนั้นมันส ะ, สะท้อนภาพเกินจริงคือใส่อารมณ์รักอารมณ์ชังเข้าไปในข่าวเ่านั้น ตีไข่ ใ, ใส่สีอะไรแต่ออรายเดเขาว่าเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่น่าเชื่อว่าคนซึ่งมาอยู่ในจุดตรงนั้นแกมีความรู้สึกว่าถ้าทำอย่างนั้นรายได้แกก็คงไม่รวยเร็วนะบนพื้นฐานของเขาก็ต้องมาเชื่อเรื่องแ บ, บบบุญบนรถก็จะมีการเสนอข่าวแล้วก็อ้างว่าผู้ฟังจะต้องมีวิจารณญาณ ด, ด้วยตัวเองอันนี้ไม่ได้นะพูดอย่างนี้ไม่รับผิดชอบ เพราะผู้ฟังนั้นวุฒิภาวะมันต่างกันเยอะเดี๋ยวมีคราวหนึ่งก็เจอนักข่าวนะก็ลงข่าวาสบิมใหญ่ฉบับหนึ่งแล้วพอดีเขามาหาทิพติแล้วมาก็อ่านข่าวนั้นผ่านมาพอดีบนี่นข่าวนี้เท็จทั้งเรื่องอนะ่ะคือข่าวเป็นใจความว่าเหตุการรู้สึกจะเกิดแถวลาดพร้าวนะมันมีผู้หญิงทํางานในโรงงานกะลึกนะฮะ แล้วก็ต่อมาก็ถูกฆ่าขมคืนตำรวจกำลังสืบจับกันแต่ข่าวที่ลงหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเล่าเป็นตุเป็นตาบอกว่าผู้หญิงนั้นออกมาจากการทำงานแล้วก็มีผู้ชายรออยู่สามคนเมื่อผู้หญิงออกมาก็คอยประกบตามผู้เญิงถ้าไม่ดีก็ร่มจำเดินแล้วก็ผู้ชายทั้งสามก็รีบจำตามไปมาถึงใต้สะพานเงามือของสะพานเนี่ยมันบางไว้ก็ ผู้ชายทั้งสามกลุมปลุกปั้มขมขืนผู้หญิงขัดขืนต่อสู้ก็เลยฆ่าตายบอกว่าถ้าจริงนี่แสดงว่าคุณคือคนที่สี่คนที่ห้าเนี่ยเห็นเหตุการณ์ตลอดอันนี้คือข่าวเท็จแต่ว่าใครใครจะไปวินิจฉัยได้ว่าเท็จอ่ะถามถามาทำไมคุณต้องเขียนข่าวในลักษณะนี้ก็ อ, อ, อก่านปป๊บเรก็รู้ว่าเท็จตันทีก็ก็บอกว่าคนไทยมันชอบนิยาย เห็นไหมผู้อ่านเนี่ยชอบพูดแบบนิยายนิทานสร้างความตื่นเต้นรับใจสมจริงมีเหตุมีผลก็กลายเป็นการแสดงไม่ใช่เป็นการนําเสนอข่าวเป็นการเล่นละครไปนะฮะแทนที่จะเป็นการเสนอขา่าวตามความจริงเพราะนี่ีือุตปะที่ธรรมะทำคนให้เป็นเทวดาจึงจึงพูดง่ายแต่ว่าภาคปฏิบัติแล้วนี่ใจมันจะเหวี่ยงรืยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเวลามีรมที่ยว้ว นี่เป็นฐานใจอย่างหนึ่งเป็นมนโนธรรมท่านเรียกว่ามันเกิดขึ้นจากหนึ่งคือเราเป็นลูกหลานของสกุลผู้ ด, ดีที่มีการฝึกปลืออบรมมาดีแล้วก็สองวัยนั้นเพิ่มเติมขึ้นนะฮะวัยสูงขึ้นแล้วก็สาการศาสตรนั้นจะเน้นย้ำในพัฒนาการแลนจิตปัญญาในสูงแล้วก็มายมีความเข้มแข็งอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะยิ่งคือถ้าจิตไม่เข้มแข็งเนี่ย พอถูกย่อยถูกถูกถูกย่อยุเข้ามาเนี่ยถูกย่อยวนเข้ามาแ ล, ลแล้วก็เผลอทุกข์ละยิ่งโอตปะนะั้นมันมีฐานสำคัญคือหนึ่งเราต้องสํานึกผิดถูกผิดชอบชัวดีได้ทําผิดทําลาดไปแล้วเนี่ยตนเองก็ติเตียนตนเองได้ผู้รู้ใครควรแล้วก็จะติเตียนตรามีความรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ทีนี้คนบางคนเนี่ย บอกว่าเรื่องนี้ผมอธิบายได้ก็จบแล้วไอ้พวกนี้ไม่ยอมรับผิดชอบพอชาวบ้านเขาว่ามันเรื่องของเขาเขาไม่สนใจต่อคําว่ากล่าวตักเตือนท่วงจริงนะะอย่างเวลาเนี้ยที่มีข่าวคราวผวกบ้านเมตตากรุณากำลับบงดังๆอย่างนี้ขาวว่าห้ามอะไรอะ่ะเด็กวัยรุ่นที่แต่งอะไรสายเดียวอะไรเนี่ของความหยางนี้เขาเรียกกัน แต่ว่าเด็กเรานั้นแกไม่แคร์แกไม่สนใจแกนึกว่าเป็นแฟชั่นเป็นความนิยมกันแต้วพ่อไม่เองพ่อแม่เองก็ไม่กล้าที่จะให้เหตุผลอะไรกันลงบางครางบางคราวมันก็สายเกินแก้ไปแล้วเพราะสมนตกตัวนี้มันจะต้องเกิดและที่สำคัญอย่างยิ่งคือปัญหาบางอย่างเนี่ยมันต้องกลัวการถูม ก, กบกลุ่มกลุ่มกลางลงโทษ แล้วฐานใหญ่จริงๆเนี่ยต้องกลัวการตกนรกด้วยถือถ้าคนไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์แล้วเนี่ยใจจะแกว่งตลอดระยะเวลาเลยเพราะในการก้าวสู่บันไดสวรรค์เนี่ยต้องมีพื้นฐานเชื่อความไปอยู่กองนรกสวรรค์และศาสะนามันก็มีมีมรรควิธีมีถนนที่จะเดินไปสู่เส้นทางสายนีจริงๆก็มีอยู่เยอะนะฮะมีมีหลายชุดมีประมาณที่แพร่หลายมากเนี่ยสี่ชุด นะชุดหนึ่งคืออุตตปะชุดหนึ่งเป็นธรรมะห้าข้อนะชุดหนึ่งเจ็ดข้อชุดหนึ่งก็สิบข้ อ, เ, อเป็นธรรมะที่จริงก็เรากคุณคุณเพราะว่าการตามหลักความเป็นจริงเนี่ยธรรมะไม่ว่าจะกี่ข้อก็ตามก็ก็ลดละกิเลสได้จางไปคลายไปบันเทาไปแต่ปัญหาสําคัญว่าการจะก้าวสู่มรรคาแห่งสวรรค์เนี่ยมันจะต้องเป็นพัฒนาการทางจิตที่ประณีตขึ้น แล้วก็ทวนกระแสกิเลสทวนกระแสอารมณ์ทวนกระแสสังคมเยอะเลยเพรา ะ, ะ น, นคนจํานวนน้อยเท่านั้นจึงสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่บันไดสวรรค์ได้จิงนิพานแล้วก็ยิ่งปใหญ่เลยดังนั้นถ้ามีล่ะถ้ามีท่านก็บอกว่ามันก็สามารถทําประโยชน์ตนประโยชน์บุคคลอื่นแล้วก็ช่วยตัวเองเนี่ยให้ก้าวสู่มรรคของสวรรค์ เพราะการมาเป็นกุศลสาธารณะทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นมรรคาแห่งสวรรค์หมายความว่าสะสมพวกนี้ที่จริงก็คือบา ร, รมีนะบา ร, รมีก็คือทานบา ร, รมีบ้างศีละบา ร, รมีบ้างแล้วแต่เรื่องอะไรแต่บบนเส้นทางสายนี้ต้องมีความอดกลั้นอดทนสูงถ้าจิตใจอ่อนแออ่อนไหว บกแวกสัดสายสับสนหรือไม่แคร์ไม่ความสำคัญแก่โดยเฉพาะยิง่งคือปฏิเสธนระกสวรรค์เนี่ยแล้วใจจะไม่ตั้งมันเนะี่ยเพราะว่ายุค ก, กินอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมันง่ายโบราณที่จริงท่านชายกล่ามบักง่ายเราก็ถือว่าเป็นคำหยาบแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะ เระการบริโภคยุคบริโภค พ, พวกอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมันก็ตัดสินใจแบบง่ายๆไม่ได้มองไม่ได้สวจสอบไม่เคยคิดพิจารณาอะไรเท่าไหร่ยิงเรื่องที่มันยากแล้วก็เป็นบรญหาด้านจิตใจดังกล่าวแล้วยิ่งหนักขึ้นท่านฟังทั้งหลายแต่ร่มรพรปฏิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอก ง, งามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี